เปลี่ยนตัวเองเอาความรู้ที่มีไปใช้ตรงนั้นร่วมกับธรรมะยังไงอะเจ้าคะ่ะตอนนั้นก็มีงานอยู่สองอย่างที่ได้ลิเริ่มทำขึ้นเพิ่มเติมอย่างแรกคือเรื่องการอนุรักษ์ป่าพ่อวัธเทตมาอยู่คือวัดป่าสุขโตก็มีป่าอยู่ห้าร้อยไร่เป็นป่าซึ่งซึ่งอยู่ท่ามกลางซ่อมท่ามกลางไร่ ไร่มันไรข้าโพดเป็นป่าป่าประเภทอะไรเจ้าคะมันเป็นป่าดิบแหลงคือข้างบนเนี่ยข้าบนเนี่ยเมื่อก่อนมันก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากประมาณปีหนึ่งศนย์เนี่ยหนึ่งสี่หนึ่งห้าเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มากแต่ตอนที่จะมาไปอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยสองหกเนี่ยรอบรอบรอบๆอบวันเนี่ยมันกลายเป็นไร่มันสัมปหลังไรข้าโพดข้าวบุกลุกเข้าไปมีการก็เหลือแต่ยอมปอบยอมป่าอยู่ สองสามยอมยอมหนึ่งคือวัดป่าสุกโตอีกยอมหนึ่งคือวัดป่ามหาวันดงนั้นวัดป่าสุกโตนเนี่ยก็จะมีคนมาตัดไม้บ้างยิงสัตว์บ้างไฟป่าเข้ามาบ้างดงนั้นหน้าที่หนึ่งที่เราทําก็คือว่าช่วยดูแลป่าแล้ต่อมาก็เริ่มมาทํางานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติเอาอะไรไปป้องกันตัวเองเจ้าคะขับปืนนะเจ้าคะอ๋อคือเรื่องคือลึกคือชาว บ, บ้านเนี่ยเขาไม่คิดจะ จะสู้อะไรกับป่าใช่ไหมยกให้ยกไว้ให้คือเขาเห็นเราเขาก็หลบแล้วเวลาไปไหนเนี่ยเวลาเข้าไปในป่าเนี่ยเราเพียงแค่เราทำเสียงสบสาบสบสารเนี่ยเขารู้เขาก็หนีไปแล้วเพราะคนที่ตามมาคือคนในหมู่บ้านนะมั้ยซึ่งเขาก็เห็นหน้าเราเขาก็อายใช่ไ้เขาก็พยายามหลบไม่มีการจะมาจะยิงต่อสู้อะไรกันท่านคะเราป่าไมาอย่างงั้นไม่มี กรมป่าไม้หรือพวกอุทยานแห่งชาติไปดูแลหรือเจ้ค่ะตอนนั้นยังไม่มีตอนหลังปีสามสเนี่ยก็เริ่มมีการตั้งสํานัก ง, งานป่าไม้อยู่อยู่บนเขา <c oughs> เริ่มประมาณปีสามสี่ <c oughs> แต่ตอนที่เอตมาว่านี่ประมาณปี27 <c oughs> ก็ยังไม่มี <c oughs> วัดก็ต้องช่วยตัวเองแล้วก็ถึงแม้และต่อมาเมื่อถึงแม้จะมีสํานัก ง, งานป่าไม้อยู่ <c oughs> ก็ ก็ทํางวัดก็ต้องช่วยตัวเองอยู่เหมือนเดิมที่นี่ต่มาก็เริ่มทําเรื่องการอนุรักษ์ป่านะกับหลวงพ่อขมเขียนซึ่งท่านเป็นท่านเป็นผู้ทําในเรื่องนี้แล้วณนะนะปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเอป่าวัดและชาวบ้านเนี่ยดีขึ้นไหมคะถ้าถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นช่วงตน้ตนๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าช่วงเดี๋ยวนี้เนี่ย ก็ดีขึ้นทั้ง2วัด e คือวัดป่าสุกโตแก้ปัญหาด้วยการแก้ปัญหาง่ายๆนะคือสร้างกำแพงล้อมล้อมวัดล้อมป่านะซึ่งก็ใช้ก็ความกวาม้วางกำแพงความยาวของขกำแพงก็มา4ีกิโลก็ไม่ไม่ได้เหลือบากกะแรงเท่าไหร่งั้นต่อไปคนจะเข้ามาตัดสมุนไพรตัดไม้หรือว่าจะมาจุดไฟในป่าก็ไม่ได้ยาก ในหลังนี้วัดป่าสุขโตก็จะก็จะสบายหน้าที่ของเราคือปลูกป่ า, าเดี๋ยวที่มันเพื่อซ่อมแซมส่วนที่มันเคยเป็นเป็นเป็นทุ่งหญ้ารหรือเป็นป่าเสื่อมโทรมวัดป่ามหาวันกับชาวบ้านที่อยู่ ใ, ใกล้วัดเขาก็ร่วมมือมากขึ้นแต่ว่ากับชาวบ้านอื่นๆซึ่งเขามาจากที่อื่น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 การเทก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่ามันได้ผลน้อยเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาถูกแรงผลักดันทางด้านเศรษฐกิจทำให้เขาต้องมาบุกลุก ป, ป่าทำาไมเขาต้องมายิงสัตว์ใช่ไหมการบุกลุก ป, ป่านเนี่ยเขาเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาชาวไร่งเขาต้องการวิธีการเพิ่มรายได้ของชาวบ้านเนี่ยก็คือการการเพิ่มผลผลิต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 ขาดทุนใช่ไหมการผลิตเพื่อค้างชาวบ้านจะจะลงเอยแบบนี้ก็คือว่าในสุดก็ขาดทุนหรือได้กําไรนิดเดียวไม่จะเป็นข้าวไม่จะเป็ น, ไ ม, ปนไม่จะเป็นมันสำปะหลังข้าวโพดอ้อยนะแล้วก็เพราะนั่นนี่เราก็พยายามบอกว่าการที่คุณผลิตเนี่ยเพื่อไปขายเนี่ยมันเซฟเกี่ยวเขาวิธีที่จะลดแล้วมันทำให้เป็นหนี้สินวิธีที่จะลด วิธีที่จะลดนิติสินคือว่าซื้อน้อยลงก็คือมาทําเกษตรผสมผสานปลูกผักหรือว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรไปตามเรื่องคือผลิตผลิตอผลิตเพื่อ<ม>เพื่อ<ม><ม>เพื่อการบริโภคจะทําให้หลดรายจ่ายรายได้จะมีไม่มาก <c oughs> แต่ว่ารายจ่ายี่จะน้อยลงไปเรื่อยๆใช่ไหมซึ่งจะทําให้การเป็นที่สินน้อยลงแล้วก็เอา อาที่วัดนี่แหละมาเป็นแปลงสาธิตส่งเสริมชาวบ้าน<ม>ปลูกพัก<ม>ปลู ก, กเกษตรผสมผสานปลูกผลไม้แต่ว่ามันไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าชาวบ้านเนี่ ย, เ, ยเขาเป็นนี่มากเมื่อเขาเป็นนี่มากเนี่ยเขาร้อนเงินวิธีอะไรที่ทําให้เขาได้เงินเร็วๆเขาก็จะทําไอกา ร, กรเกษตรผสมผสานเนี่ยมันมันได้เงินช้ารายจ่ายมันน้อยลงก็จริงแต่ว่าได้เงิน น้อยได้เงินช้าใช่ไหม <ฮะ S 2> ขายเอาผักไปขายก็ได้ไหมสิบบาทยีสิบาทสาิบาทพ อ, อยังชีพเออไม่เหมือนเอาเอามาันเราไปขายทีหนึ่งห้าตันสิบตันเนี่มันได้มาเจ็ดแปดพันหมื่นหนึ่งเงี้ยใช่ไหมเพราะนชาวบ้านเนี่ยเขาคลอนเงินเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไม่นไม่ค่อยมีความศรัทธาหรือความเพียรที่จะทําเกษตรผสมผสาน <ฮะ S 2> สองเกษตรผสมผสานต้องใช้แรงเยอ ะ, <ฮ>ะต้องดูแลใจใส่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 เอาล้วเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพก็ไม่ได้แสดงว่าปัจจุบันเอาแล้วเขาเขาจะเอาเงินที่ไหนก้อนเยอะๆนี้เก็ด๋นี้ก็เดี๋ยวนี้ใช่ไหมก็ใช้วิธีหนึ่งปลูกทำเหมือนเดิมคือปลูกปลูกพืชผักขายพืชเศรษฐกิจเปลี่ยนแต่เปลี่ยนชนิดจากมันสัมพันหลังมาเป็นอ้อยจากอ้อยมาเป็นตอนนี้ก็เริ่มเป็นจางพาราอ๋อเป็นอย่างอ้าางพลาขึ้นไปได้ไหมเจ้แล่ะขึ้นไปแล้วเออแต่ยางพาราชาวบ้านไม่มีกําลังที่ะ ที่จะทำหรอกก็เป็นลูกจ้างเขาพยายาพาานี่กว่าจะให้คลก็ห้าปีชาวบ้านก็ไม่ไหวนะงั้นชาวบ้านเนี่ยตอนหลังเนี่ยก็ต้องไปรับจ้างไปรับจ้างทํางานรายได้ของเขาเนี่ย ส, สมมติร้อยบาทเนี่ยไอการปลูกพืชเศรษฐกิจเนี่ยทําให้ให้รายได้เขาเพียงแค่สี่สิบาทอีหกสิบาทก็ต้องไปหากินนอกหมู่บ้านไปหาอะไรเออเจ้าคะรับจ้างตัดอ้อย ก็กลายเป็นรับจ้างไปแต่แต่ก็อยากทําอยู่ใช่ไหมคะพวกไรนานสวนผสมอะไรเดี๋ยวนี้ ก, ก็เดี๋ยวนี้ก็ทําน้อยนะเอเอตอนหลังเนี่ยทางทางนี่คือเหตุนี่คือเมื่อเมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะตอนนี้เราก็พยายามจะเริ่มพยายามส่งเสริมใหม่ส่งเสริมให้ชาว บ, บ้านเนี่ยเขาเ อ, อลดรายจ่ายด้วยการ ใช้สารเคมีให้น้อยลงเพราะเดี๋ยนี้ปุ๋ยยาฆ่าแมลงเนี่ยยาฆ่าหญ้าเนี่ยเป็นเป็นรายได้เป็นรายจ่ายหลักของเขาเนะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งปลูกปลูกมันเนี่ยก็ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าแล้วช่วงนั้นนี่โครงการอนุรักษ์นี่ประสบความสำเร็จใช้เวลานานไหมคะก่อที่ชาวบ้านเขาจะเข้าใจก็อย่างสุกโตนี่ก็ยี่สิบปีนะ<ฮ>ตอนนี้ก็มันเริ่มปามก็เริ่มขึ้นมาใหม่ แต่จริงๆปัญหาปัญหาต่อหลังของของสุกโตหรือของผู้หลงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาจากชาวบ้านมาตัดไม้แต่เป็นปัญหาคือไฟอไฟซึ่งชาวบ้านเองเขาก็คุมไม่อยู่เหมือนกันแล้วแล้วให้หน่วยงานไหนมาช่วยเจ้าคะก็วัดกับชาวบ้านหน่วยงานวัดกับชาวบ้านเอคือจะหวังพึ่งหวังพึ่งข้าราชการไม่ได้คือรู้ลักป่าอะไรอย่างนี้เขาไม่ไม่เข้าไปเลยน้อย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 คนยังขาดอยู่คือเรื่องของมิตินั้นจิตใจเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนทํางานที่ความทุกข์ประสบการณ์ของธรรมาเองก็เป็นเช่นนั้นก็อยากจะนําเอาเอาธรรมะเนี่ยเข้ามาโยงกับชีวิตจริงของคนที่ทํางานโดยเฉพาะคนในเมืองเราะนั้นตอลังเนี่ยตั้งแต่ปีแรกๆเลยเนี่ยธรรมาก็จะได้รับนิมนต์ ให้ไปพูดปีแรกเลยเหรอจ๊ะคะปีแรกแรกเพราะว่าตอนที่เป็นตอนที่เป็นตอนที่เป็นคารวาสเนี่ยก็ก็มีงานพูดงานเขียนตอนนั้นแต่อมีเขียนตั้งแต่ยังเป็นคารวาเลยตอนนั้นเป็นงานแนวไหนเจ้าคะก็เป็นงานแนวเรื่องการพัฒนาสังคมเรื่องเรื่องสันติวิธีโอนักหนักเรื่องสังคมใช่มค่ะแล้วก็มีเรื่องธรรมะแต่เป็นเรื่องธรรมะแบบแนวคิดแบบพุทธ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 มันเห็นถึงความแตกต่างอ่ะคนโกรธง่ายแล้วมันมันดับโกรธได้ออืแล้วเริ่มเริ่มช่วงช่วงแรกจําจําวันแรกที่บรรยายในในตอนที่เป็นเพศมันทชิทได้ไหมเจ้าค่ะว่าวันนั้นเรื่องอะไรอ่ะเจ้าค่ะคือเออเขให้ไปพูดเรื่องประสบการณ์การปฏิบัติธรรมประสบการณ์การปฏิบัติธรรมตอนนั้นก็ก็บวชมาได้สักจริงก็หลายเดือนแล้วนะเจแปดเดือนแล้ะคือช่วงช่วง ช่วงโวยใม่มาไม่รับงานนะตั้งแต่ไม่รับงานเลยจนกระทั่งออกเข้าพรรษาเนี่ยเข้าพรรษานี่ ก, ก็ก็เรียกว่าปฏิบัติแบบอย่างเต็มที่หนังสือก็อ่านน้อยมากแทบจะไม่อ่านหนังสือเลยคือจะปฏิบัติแบบเข้มเจ้าค่ะอาจจะมีตอบจดหมายอะไรบ้างแต่ว่ามีตอบจดหมายมีคนถามจดหมายด้วยเหรอเจ้าค่ะคุยจดหมายเรื่องธุระเรื่องงานเรื่องการก็ยังมีอยู่อช่ไยังไม่ตัดดีอ่ะแต่ว่าจะไม่ค่อยมีงานการพ่อ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 พววกกกกลลมนัศึษาแ้ส่งยังไงส่งจดหมายไปหรือหรือมีการบอกอ๋อคือเรามีเรามีเครือข่ายที่ชมนุมพุทธใช่ไหมอาตมามีรุ่นน้องชมนุมพุทธแล้วก็มีเครือข่ายที่เป็นเอ็ีโอที่อาตมาเคยทางานแล้วก็บอกว่าเรามีโครงการอย่างนี้เรามีการจัดบรรยายพุทธศาสนาคนหนุนสาในมิติต่างๆนี่มนหลวงพ่อหงเกณฑมาพูดมีมีเข้ามาเยอะไม่จำกัดกสามสิบสี่สิคน เสร็จแล้วก็จัดจับบรรยายมาที่ที่กรุงเทพประมาณสักสี่ห้าครั้งสี่ห้าครั้งเลยเหคะเอ่ <c oughs> แล้วก็เสร็จแล้วจุดสุดท้ายก็บอกว่ามาปฏิบัติธรรมกันที่วัดตาสุกโตประมาณเจ็ดวัน <c oughs> โอให้มาที่นี่เลยจำได้ก็เป็นเดือนเดือนธันวาสองหกหนาวมากเลย <c oughs> ตอนนั้นมองเห็นปัญหาอะไรก็ทําไมถึงเลงไือที่หนุ่มสาวว่าต้องเข้าไว้เพราะว่าส่วนส่วนใหญ่หนุ่มสาวจะไม่ค่อย มองเห็นถึงคุณค่าของการเข้าวัดเข้าวานอ่ใช่แต่ว่ามันจะมีพวกที่พวกพวกที่เสียเรียกกับชีวิตมีอยู่นะแล้วก็พวกที่ทํากิจกรรมเพื่อตะมาณนี่ใจใจใจคุ้นเคยกับในแวของผู้ที่ทํากิจกรรมทั้งที่เป็นนักศึกษาทํากิจกรรมค่ายํากิจกรรมพวกสลามทากิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมพวกชนุพูดด้วยแล้วก็พวกพวกเอ็นจก็พจะรู้จักคนพวกนี้ก็แนะนําำเข้ามาใช่ไหม ก็เขาก็มาปฏิบัติเสียงตอบรับนะคะก็ก็ดีนะเอ่อหลายคนก็เริ่มผ่านมาสนใจการปฏิบัติธรรมมากขึ้นบางคู่ก็แต่งงานกันเขาคู่กันในงานสองสาคู่ก็ยังก็ยังก็ยังก็ยังโน้มไปในทางเรื่องของการปฏิบัติธรรมเดทุกวันนี้ใช่ไหมค่ะปฏิบัติธรรมนี่เน้นเ้นให้เขาปฏิบัติยังไงคะนั่งสมาธิหรือว่าอ่อใช้ใช้วิธีลมวิญญาณเลยที่เรื่องสติค่ะ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 ช่วยพิมพ์หนังสือให้กับมุญนิธิกรมอังกิมทองเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยแหล ะ, ะใช่ไหมแล้วก็ตอนหลังเราก็กทํามือที่ก็พิมพ์หนังสือของอาตมาด้วยอา่าแล้วก็มีปีสองเจ็ดทามือที่ก็นิมนต์อาตมาไปเป็นองค์ปาทกประจําปีของมูญนิธิกรมอังกิมทองก็ไปพูดเรื่องว่าแสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแห่งกิจกรรมออื ชื่อมันก็ไปเตะเตะไปกระทบใจคนที่ทำงานกิจกรรมะนะว่าการทำกิจกรรมนี่มันต้องมีรากฐานชีวิตด้วยหรื อ, อแล้วก็ได้ทราบว่าเมื่อพิมพ์ปฏกถาชุดนี้คือต้อมาเขียนก่อนเขียนก่อนแล้วพิมพ์ปมเป็นเล่มป ม, <27. S 1> มนนีสองเจ็ดประมาณเกือบร้อยหน้าร้อยหน้าแต่ตอนนั้นมันเป็นตัวตัวตัวแบบ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 แล้วก็พูดถึงปัญหาของนักกิจกรรมว่านักกิจกรรมเนี่ยเขาถ้าไม่มีถ้าหลักฐานชีวิตไม่มั่นคงคือไม่มีมิติทางจิตใจเนี่ยเขาจะทำงานได้ความทุกข์หรือเขาจะทํางานได้ไม่ต่อเนื่องอเพราะว่าหมดแรงหมดสภาพป่วยเครียดหรือไม่เชนั้นเขาก็จะถูกกิเลสหลอกพาไปจกนกระทั่งทํางานเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อสังคมแต่ทําเพื่อตัวเองอใช่ไหมนี่ก็พยายามพูดตรงนี้แล้วก็ ก็บอกว่าทํางานต้องมีความสุขน ะ, ะแล้วความสุขเกิดขึ้น้ต้องมีสติอย่างงี้ก็ก็โยงอย่างเนี้ยคนอ่านเขาก็เริ่มน้อมมาทางนี้มากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะที่ที่ได้เนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะนะักกิจกรรมนะเจ้าค่ะ <c oughs> แต่พอพอแบบพอคนพูดเนี่ยบอกว่าให้ลงมาที่ตัวฉันหน่อยก็จะตั้งใจฟังแต่จริงๆแล้วนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเอามาใช้ได้ทั้งหมดเลยฮะใช่แต่ว่าตามาก็จะเนื่องจากใกล้ชิดกับ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 ตอนระยะหลังเนี่ยก็เริ่มมีหลายสนักพิมพ์ขอไปพิมพ์เอาบทความเก่าๆแต่ส่วนใหญ่เก่าๆในที่นี้ก็คือไม่ไม่เกินปีสี่ศคือบกความในช่วง10ปีหลังนี้ก็เริ่มมีคนมาขอไปพิมพ์แต่มันก็ไม่ได้ทั่วถึงนะเพราะว่าที่ไม่ ท, ที่ที่ไม่ได้ตีพิมพ์ก็มีอีกเยอะหมืนอนที่ไม่ได้ตีพิมพ์รวมเล่มนะแต่ว่าส่วนใหญ่ยังก็จะตีพิมพ์เป็นวารสารอยู่ในวารสารอยู่นั้นือพิมพ์วารสารอะไรบ้างเจ้าค่ะมันก็เป็นวารสารแบบแบบ แวบวงเล็กๆอ่ะของพวก n อ o นจอบ้างหรือว่าของของพวกหนังสือพิมพ์ที่อาจจะอาจจะเผยแพร่วางขายในตลาดแต่ว่าลงครั้งสองครั้งเช่นนิทยาสารครัวเคยได้ยินนะเอลสันคุยซีอะไรเงียเง้ยกครั้งสอคัเข้าไ ป, อ ย, าปอยู่ในนั้นได้เขามาข อ, <c oughs> ขอบทความแก่บทความบอกว่าขอบทความไปตีพิมพ์หน้าสุดท้าย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 ก็ไม่ได้ใช้ชื่อจริงนะ <c oughs> ส่วนใหญ่า ง, งานเก่งก็จะเป็นการให้กําลังใจให้ธรรมะให้ในการเจริญสติอย่างวิธีทําใจหนักแค่ไหนก็ไม่ทุกหรื อ, อว่ว่ายทวนน้ําอะไรองี้ค่ะแล้วยังไงครับมันพลิกผันยังไงถึงมาถึงเรื่องของความตายได้อย่างเหนือความตายนีะคะ่ะทำไมาถึงพลิกมาเป็นเรื่อ ง, องความตายเลยคะ<า>ช่วหงหลังๆนี้เป็นเน้นเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะอาตมาสนใจเรื่องความตายโดยส่วนตัวมานานเพราะว่า ก็เช่นเดียวคันทั่วไปเวลารึกถึงความตายแล้วก็จิตใจแล้วก็หวั่นไหวอาตมายังจำได้เมื่อช่วงปีหนึ่งปเนี่ยตอนนั้นอาตมาทำเป็นก็แค่เป็นบอกกอวรส า, าปรปาจริยศารก็ไปทำบทความนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของครูโกมันชิมทองครูโกมันชิมทองเน่ถูกยิงตายเมื่อปีหนึ่งสี่ แล้วก็ปี18อัตมาก็ได้มีโอกาสกลับไปที่ที่บ้านที่ครูกรมกิมทองเนี่ยเสียชีวิตถูกยิงตายแล้วก็ได้ไปพักในวัดนะซึ่งครูกรมกิมทองเคยไปเยี่ยมเยียนตรงนั้นเนี่ยมันปี18เนี่ยเป็นช่วงที่เกิดการสู้รบ ก, กันพักใต้ตอนนั้นเนี่ยดืเดือดมา ก, ส, กสงครามล่วงคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลเนี่ยรุนแรงมากอัตมาไปพักที่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 ศพ ส, สองศพไม่เหมือนภาคใต้เวลานี้ภาคใต้เวลานี้มั น, มนแรงกว่า น, นั้น <c oughs> แต่ที่โน่นเนี่ยเป็นเขตสีแดงแล้วเขตสีชมพู <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาไปก็หนึ่งเราก็เราก็ตกเป็นที่เราแว่งสงสัยไหมของเจ้าหน้าที่รัฐสองอ <c oughs> บรรยากาศการต่อสู้เรื่องความตายมันก็ทำให้เรา เกิความสะพึงกลัวก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าเอถ้าเกิดว่าเราจะต้องตายเนี่ยแล้วเราจะจะยอมรับมันได้ไหมจะ ต, ตายด้วยด้วยด้วยผลใดก็ตามคือปกติก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นแต่พอไปอยู่ในบรรยากาศถึ่งนั้นเนี่ยบรรยากาศของความรุนแรงบรรยากาศคนตายบรรยากาศกของกลุ่มกิมทอที่ถูกฆ่าตายใจไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้แล้วก็อยู่ในวัดซึ่งวัดเนี่ยก็เป็นวัดที่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 มันทั้งเบื้อหน้ามันทั้งอยากดูเห็นแล้วแล้วก็หืมมันก็ค้างมันติดตาอยู่นานเพิ่งคุ้นมาคิดว่าคนเราเนี่ยมันต้องเจอพวกนี้วันยังค่ำแล้วเราจะหนีมันได้ยังไงตอนนั้ น, น, เ, นเริ่มคิดแล้วเริ่มคิดแล้วก็ช่วงของตมาเนี่ยผ่านในการ14ตุลาผ่านในการ6ตุลานะมีส่นเสียเพื่อนหมจ้าก็ <c oughs> มี <c oughs> นะแล้ว ก, ก็ก่อน6ตุลาก็มีการ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 ได้เห็นหนังสือเล่มหนึ่งชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษที่เบตันบุ๊กออฟลิ n กิ่งแอนด์ของโซเกียรินโปเช่ซึ่งเป็นหนังสือที่มีชื่อมากในในตนตกนั่นประมาณปีสามเจ็ดเขาเขาเป็นคนชาวชาวอะไรอ๋อเป็นทีเบตอ๋อเป็นทีเบตเพราะฉะนั้นตรงนี้อ๋อแต่ตีพิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษอังกฤษแล้วก็ได้รับความนิยมมากในในในยุโรปอเมริกาใช้ภาษาที่ไพเราะแล้วก็รู้จักมาเจอหนังสือเล่มนี้ที่ไหนจ๊ะมีคนแนะนํามีคนแนะนํา มีเพื่อนที่อเมริกาแนะนำแล้ว ก, ก็มาให้ยืมอา่านนะแล้วก็แล้วก็บอ ก, กว่าเป็นหนังสือเล่มนี้ได้รับความชมมากไม่แพ้ในหมู่พระอง์ชาวพุทธก็เลยสนใจที่แปลอัตมาก็เริ่มแปลนี่ปีสามเก้าเล่มแรกนี่ภาษาอังกฤษชื่ออะไรนะเจ้าค่ะคือชื่อมันชื่อที่เบตเทิแล<า>ท่านมาเปลี่ยนเป็นไทยเป็ น, ป, นประตูสู่สภาวะใหม่ ประตูสู่สภาวะใหม่นี้เป็ น, เ, นเป็นภาคสู่สภาวะสภาวะใหม่นี้เล่มแรกเหรอเจ้าคะแต่จริงๆมันคือภาคสองของของเล่มนี้นะภาคจนจนแร ก, <า>กคือจากใจถึงใจจากใจถึงใจคือบทหนึ่งในประตูสู่สภาวะใหมา่เป็นบท<อ>แรกของประตูสูส่สภาวะใหมา่เจ้าค่ะซึ่งอาตมาเอซึ่งทางกโกมกิมทองเขาแยกออกมาพิมพ์เพราะว่ามันอ่านง่ายบทนี้แล้วก็ทําให้อาตมาได้ ได้รับประโยชน์เป็นส่วนตัวจากหนังสือเล่มนี้มากแล้วก็<ช>คนที่เขาได้อ่านเขาก็ได้รับประโยชน์อย่างเที่ยตมาก็นึกไม่ถึงการเป็นหนังสือซึ่งทั้งที่เล่มตาแล้วก็อ่านยากแต่ว่าก็ก็ต้องตีพิมพ์หลายครั้งออ<ช>ืที่บอกว่าเขาได้รับประโยชน์นี่คือเขามาอาบอกเล่าหรือยังไงใช่เขาบอกเขาบอกว่าเนี่ยเขาเอาวิเอาเอาแนวคิดจากเอาวิธีการแล้วก็แนวคิดของหนังสือเล่มนี้ไปใช้กับญาตของเขาเวลา ซึ่งกำลังปวนะ<ด>่วยหนักโดยแนวคิดนี้ถ่ายทอดกันมานิดกน้อยหม่อยค่ะอย่างเช่นการช่วยให้การช่วยผู้ป่วยเนี่ยการเขาตายอย่างสงบโดยเาโดยโดยให้ความสาคัญกับเรื่องของการปลดเปลื่องสิ่งทั้งขาดใจ อะไรที่ค้างคาใจเนี่ยต้องให้ก็ปล่อยวางให้หมดคุณคุณโซเกียนนี่เป็นนักบวชหรือว่าเป็นเป็นเป็นนักบวชเป็นก็เรียกว่าเป็นพระชาวทิเบตเป็นพระแล้วก็ได้ถ่ายทอดเรื่องอย่างนี้ออกมาอมคือเขาเป็นการขยายความจากคำพีบรอนนัสซาของทิเบตที่มีชื่อมากคำพีนั้นชื่อเป็นภาษากกว่าทิเบต t Book of of d y i n g เพื่อเพื่อตายที่เบตันบุ๊กออฟเดอะเ d ะซึ่งเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องว่าอภาวะใกล้ตายและภาวะก่อนตายภาวะขณะที่กำลังจะตายแล้วก็ภาวะหลังตายหลังตายแล้วหลังตายด้วยแล้วพูดด้วยว่าแม้กระทั่งจะช่วย จะช่วยคนนะใชคว่าคนเลยคนที่อยู่ในภาวะหลังตายได้อย่างไรให้เขาได้รับการหลุดพ้ mm hmm. นหนังสือเล่มนี้พี่ชื่อเป็นภาษาทิเบต น, นะถ้าแปลเป็นไทยก็บอกว่ามหาวิมุตมหาวิมุตด้วยการฟัง mm hmm. คือเราเชื่อว่าแม้กระทั่งตายไปแล้วก็สามารถจะหลุดพ้นได้เข้าสู่นิพพานได้ด้วยการฟังคำพีนี้เพราะฉะนั้นคำภีนี้เนี่ยก็จะอ่านให้กับคนตายไปแล้ว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 หลุดพ้นได้เลยหลุดพลล้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขชื่อแบบนั้นนะซึ่งอันนี้มันมากมันทางเทรวาเนี่ยไม่ได้พูดถึงเถรวาทจะพูดเฉพาะว่าในช่วงภระว่าที่ใกล้ตายหรือภระว่าที่ขณะที่กำลังจะตายเรียกอสันญกรรมจิตสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสามารถจะหลุดพ้นได้เป็นขณะที่มีพลังในการเที่ยงให้ทําให้จิตเนี่ยเกิดความหลุดพ้นพอเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ได้ ใ น, ในทางเถราวาณนี่จะพูดตรงนี้ไว้อาจา่ธธาผูพตถาคตเขาจะเรียกว่าเป็นนาทีทองของชีวิตจ้าค่ะตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าเทิเบตเขาไปไกลกว่านั้นคือว่าบอกว่าเนี่ยแม้กระทั่งหลุดแม้กระทั่งตายไปแล้วนะจ้าค่ะถ้ายังไม่ไปเกิดใหม่ก็ยังมีโอกาสรับพ้นได้แต่เปอร์เซ็นต์น้อยนะ <c oughs> เขาก็ยอมรับเปอร์เซ็นต์น้อยอ <c oughs> แต่ว่าก็เป็นประเพณีของทิเบตที่จะอ่านให้ฟัง ล, ล้วใครและที่จะเป็นคนพิสูจน์ได้อ๋อก็ ก็ไม่มีแต่ว่าคือเขาก็เชื่อว่าคือเท่าเราเชื่อว่าพระอรหันต์นี่ท่านมีอภิญญาใช่ไหมอย่างที่เราอย่างที่พระอนุรุทธะเนี่ยท่านก็มีจิตอย่างเห็นถึงภาว่จิตของอะไรเกิดขึ้นพระเจ้านะครับที่ท่านกำลังจะดับไปใช่ไหมก็เห็นไงอันนี้พระอนุรุทธาท่านมีท่านมีท่านมีญาณให้เราก็เชื่อว่าอภิญญาของพระอรหันต์บางรูปเนี่ยสามารถจะทําให้อย่างรู้ถึงความจริงข้อนี้ซึ่งทําให้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 คนจะใกล้าตายยาตมีเขาก็มาขอให้ไปไปไ ป, ไปนาทางให้เริ่มนะคะพระเคศ ต, ตําราแสดงว่าต้องมีความ <c oughs> เชี่ยวชาญชำนาญ <c oughs> ระดับนึงก็ได้มีโอกาสไปไปพูดนำทางให้ให้กับผู้ผู้ใกล้าตายรายแรกนี่เลยเป็นอะไรเจ้าคะก็เป็นแม่ของเป็นแม่ของเพื่อนนะเป็นแม่ของเพื่อนซึ่ง <c oughs> ซึ่งเออ ซึ่งเป็นมะเร็งอายุก็ไม่มากหรอกห้าสิบได้แล้วก็ตอนที่จะมาไปก็เริ่มจะโคม่าแล้วฟังรู้เรื่องไหมเจ้าค่ะคือเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าฝั่งจะเขาผู้เป่วยเขาจะรับรู้ถึงตอนนั้น<อ>ที่รโรงพยาบาลหรือที่บ้านที่าาทโรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลใช่คือเรามีความเชื่อว่าแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็หลักฐานมากมายที่ชี้เห็นว่าผู้ที่โคม่าแล้วเนี่ย เขาสามารถจะรับรู้เขาสามารถจะได้ยินหรือแม้กรทั่งเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวก็ได้ทองที่ตาเขายังหลับอยู่ทางที่เขาหลับตาเขาไม่ตอบสนอ ง, งอันนี้ถ้ า, ถ, าถ้าสนใจก็จะจะพูดได้อีกยาวนะแต่ว่า <S <S แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้คือว่าอัตมาก็จะก็ไปพูดนาแล้วก็การพูดเช่นนี้เนี่ย อันที่หนึ่งเนี่ยมันช่วยช่วยทําให้ญาติทําให้ลูกเนี่ยเขามีความปล่อยวางได้คือบรรยโยยาจิตใจของของคนที่เป็นญาติได้ในสองเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาได้ผู้ป่วยนีย่เขารับรู้หรือเปล่าแต่ว่ามันก็ลงเ อ, อ่ยว่าเขาไปอย่างสงบอืใช่ไหมแล้วก็ถ้าจะธรรมะทราบก็หลายคนที่เขาเอาแนวคิดและ ว, วิธีการของหนังสือเล่มนี้ไปใช้นะ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 ญาติเนี่ยสามารถพูดนำทางให้เขาเนี่ยปล่อยวางให้เขารู้ว่าความตายเกิดขึ้นกับเขาแล้ว<ม>ให้เขาปล่อยวางทุกสิ่งขอยก็น้อมจิตไปในทางที่เป็นกุศล<ม>ก็จะทำให้ไปสู่สุกติได้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 สอหลวงพ่อสนองกระตักพงโยจากหนังสือธรรมสารณนะ